วันนี้เป็นวันที่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้หลวงพ่อจะได้เดินทางไปสกลนครเป็นงานขบปอบหลวงปู่มั่นที่บ้านน้องผือานาในอำเภอพละานานิคมจังหวัดสกลนครแต่หลวงพ่อไม่เคยไปไปแต่สมัยเมื่อ หลวงตายังอยู่ท่านจัดหาทองคำเข้าคลังหลวงหลวงพ่อได้ไปครั้งที่สองครั้งเนี่ยไปในคราวนั้นจากนั้นก็ไม่ได้ไปไปก็ไปที่วัดสุทธาวาสอําเภอเมืองไปจุดที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่มั่นที่สกล น, นครแล้วก็เคยไปแสดงธรรมสองสามครั้ง ที่สกลนครแต่สุทธวะแต่บ้านนองผือนาในเนี่ยยังไม่เคยคราวนี้เขานิมนต์ไปทั้งรับบินธมบัตรทั้งสวดมนต์ด้วยแสดงธรรมด้วยแล้วก็ทั้งรับบินธรรมเช้าด้วยหลวงพ่ อ, อยังไม่เคยไปคิดว่าจะไปเป็นบูชาไปาไปดูสถานที่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นตระกูลในช่วงโค้งสุดท้ายที่องคหลวงมั่นหลวงปู่มั่นจะลากขันปรินิพานท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปา่าหนองผือนาในอำเภอพลา น, านิคมจังหวัดสกล น, นครครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ อ, อยังหลวงปู่ล่าเนะ่ยจำพรรษาสี่ปี จำหลวงตามหมาบัวจำพรรษาหปีอยู่กับหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ยักป่วยหนักในพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ท่านก็นำองค์หลวงปู่มั่นมาที่สกนครพอมาถึงวัดสุทธวาดในคืนนั้นในหัวค่ำนั้นพอจวน พอตอนตีหนึ่งตีสองหลวงปู่ท่านก็ได้ละสังขารเข้าสู่นิพพานจากนั้นก็ได้จัดงานประชุมเพลิงที่วัดสุดทธาวาสเดือนกุมภานี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของประวัติย่ อ, ยอขององค์หลวงปู่ที่เป็นตนตระกูลของพระกรรมฐาน ที่ให้ธรรมะแนะนําสั่งสอนตรุษิษณ์สิทธิานุสิทธิที่กระจายไปทั่วประเทศหรือกระจายไปทั่วโลกทุกวันนี้กันเี่เป็นผลงานขององหลวงปู่มั่นที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนทุกษิษณ์สิทธิานุสิทธิของท่านมีหลวงตามีหลวงปู่ล่าแล้วูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขามากมายหลวงปู่แหวน ล้วนแล้วจะเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นทั่วประเทศไทยแต่ไปคราวนี้ไปคราวนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาไปแสดงเป็นเครื่องสักการะนอามิชบูชาส่วนปฏิบัติบูชานั้นอีกส่วนนึ่งส่วนปฏิบัติบูชานั้น ปฏิบัติบูชาที่ไหนก็ได้อามิจฉบูชาหรืออามิชบูชาที่ไหนก็ได้แต่เราควรจะเอาทั้งสองอย่างทั้งอามิจฉบูชาทั้งปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยเลิศล้ำกว่าประเสริฐกว่าเลิศล้ำกว่าอามิจฉบูชา ย, ยกตัวอย่างในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพาน ปีสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระพุทธองค์บอกประกาศว่าอีกสีเดือนจากนี้ไปอีกสีเดือนเราตถาคตจะปรินิพานที่จะปรินิพานแล้วอีกสีเดือนพอพระพุทธองค์ประกาศเท่านั้นล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นพันเป็นหมื่นองค์ หลายพันองค์มาลุมมาตุ้มเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะป ร, ะริทิพผานเนี่ยพวกเราจะวางแผนกันยังไงจะดําเนินการยังไงจะปฏิบัติยังไงเนี่ยล่ะคล้ายๆว่าเมื่อต้นตระกูลของเราจะป ร, ะริทิพผานก็จะต้องคิดหนักบรรดาสิทธ์อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาก็เหมือนกับองค์หลวงตาที่ท่านจับจุดตินิ้แล้านน่ะพวกเราในฐานะสิทธิานุสิธทธิทั้งหลายแล้วก็ต้องได้คิด ได้ไประชุมหารือกันวางแผนกันเอาอย่างไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือจริงเป็นพระพุทธเจ้าท่านเตนเป็นต้นตระกูลของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องปั่นป่วนเป็นธรรมดาแต่ส่วนพระรหันต์ท่านก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ปุถุชนคนพระที่เป็นปุถุชนก็มีมากมายก็ต้องมาลง ม, มาตุ่มกันพอสมควร มีพระเถมีพระองค์หนึ่งชื่อท่านธรรมรามะทำธรรมรามะาท่านได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานอีกสีเดือนเอ๊ะเรายังไม่ได้มักไม่ได้ผลอะไรเลยยังไม่ได้สําเร็จเราควรจะปฏิบัติตนเองให้สําเร็จเป็นพระหรันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานองค์นี้คิดแปลกกว่าเพื่อนนะ องนี้ก็ไม่เข้าไปไม่ติดตามกับหมู่แต่ท่านก็คงจะเป็นพระที่มีศักยภาพพอสมควรอย่างเป็นที่ต้องตาต้องใจถ้าเป็นพระเป็นพระปลายแถวก็คงจะไม่มีองค์ไหนสนใจไอ้ท่านคงจะเป็นพระแนวหน้ า, าพอสมควรแต่พอมาถึงโค้งนี้แนหะแต่ท่านไม่สนใจเอ้ท่านไม่สนใจท่านหลบอพระทั้งหลายก็ เอ๊ะทำไมพระองค์นี้ทำไมท่านองค์นี้ทำไมจึงแสดงอกับกิริยาอย่างนี้นะ่ยคือท่านหลบท่านไปภาวนาของท่านอย่างอุอุกฤษเลยวงั้นเถอะสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้รับการอบรมได้รับการฟังจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเต็มหัวใจแต่ยัง เือภาคปฏิบัติแต่ประยัดเนี่ยคือการฟังมันฟังเต็หมหัวใจแต่ยังภาคปฏิบัติยังไม่ถึงเหมือนกับเราได้แผนที่แผนที่พระพุทธเจ้ามอบให้แล้วแผนที่แต่เรายังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินตามแผนที่แต่บัดนี้เอาเถอะในพระพุทธเจ้าจะปฏิธิาผ่านแล้วสี่เดือนท่านประกาศนะ เราจะเดินตามแผนที่เท่นี่แหละลักษณะอย่างนั้นนะอย่างนั้นท่านก็เปลี่ตัวอไ ม, ไม่เข้าไปชุมกับพระสงฆ์ทางหลายพระสงฆ์ทางหลายกันนะั่นนะประชุมกันที่นั้นหาลือกันที่นี่ไห้ข้าวับจับกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มยักกลุ่มใหญ่ เ, เพื่อวางแผนนะแต่พระองค์นี้ไม่ได้เข้าไปประชุมท่านก็ปลีกตัวภาวนาของท่านอย่างเต็มที่ พระ ส, สงฆ์ถลายกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าเนี่ยท่านทำลามะเนี่ยท่านไม่ได้สนใจกมูเพื่อนทั้งที่พระพุทธเจ้าจะประนีพานประกาศออกไปแล้วแต่ท่านปีกตัวออกไปอยู่ตามลําพังเป็นเพราะอะไรทำมาอย่างเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระพองค์บอกเออเอาเรียกเธอเข้ามาเลยสิ ทำไมวนะคือมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นน่ยจะต้องชี้แจงในถ้ำกลางสงนะพระสงฆ์ก็นำท่านไปบอกท่านมาท่านก็เข้ามาท่านทำอย่างนั้นจริงเหรอท่านไม่ได้สนใจที่เราจะปนิพพานไปแล้วนะ่ะเถท่านไม่ได้สนใจอย่างพระสงฆ์พูดจริงเหอรอเจงพระเจ้าข่าเนะพราะเหตุใดเพราะข้าพระ อ, องค์ตั้งใจว่า พระพุทธองค์ประกาศอีกสเดือนข้างหน้าจะปรินิพานแต่ข้าพระองค์ยังเป็นปุตุชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่ข้าพระองค์จะปลีกตัวพยายามทําความเพียรให้มากที่สุดจะได้ให้จะให้สําเร็จพระราหารันพระราหันก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานเพรา ะ, ะนั่นข้าพระองค์จึงได้ปลีกตัวไปเพื่อบําเพ็ญทางจิตภาวนาอย่าง เต็มที่พระพุทธเจ้าค่ะลักษณะอย่างนั้นนะพระพุทธองค์โอ้เนี่ยสาธุสาธุดีแล้วอนุโมทนานี่แหละอันนี้แหะคือการที่จะมามารลุมมาตุ้มอามิทชุบูชาดอกไม้ของหอมบูรบูชาเราตถากรสู้อย่างปฏิบัติบูชานี่ไม่ได้ปฏิบัติบูชานี่เลิศประเสริฐกว่าอามิทชุบูชา พระพุทธเจ้าท่านยกย่องเชิดชูการปฏิบัติบูบชาเนี่ยมากกว่าอาหมิชบูชา น, ะนี่แหละอันนี้คือมาในครั้งพพุทธในครั้งพุทธกาลจากนั้นท่านก็ได้กราบลาไปท่านก็ได้พบบำเพ็ญจุดให้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละอันนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปฏิไิพผานพระสงฆ์ก็ เ อ, อปันป่วนกันพอสมควรอย่างหลวงปู่มั่นของเราก็เหมือนกันในเมื่อหลวงปู่มั่นของเราแต่เป็นคนกลุ่มน้อยที่ท่านออกมาจากตงผือนาในท่าหลวงพ่อจำไม่ผิดก็พระจําบรรสาปีหลวงปู่มั่นจะพระนิพานเจ้าขุนเข้าจุ ต, าจาาออ ต, ตินิพพานพระจําบรรสาเท่าเดี๋ยวสสิกว่าองค์มั้งสามสิบตนะพระจำบรรสา ก, กับหลวงปู่มั่น จากนั้นท่านก็นำาสรีระนำองค์หลวงปู่มาที่สกลนครท่านก็ได้มรณาภาพจุตินิรพานจากนั้นคณะสิทธิานุสิทธิผู้ใหญ่ที่จำบรรษาข้างนอกอย่างเจ้าคุณธรรมเจดีที่เป็นลูกศิษย์เทควันโปกครองตลอหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆ ในยุคสมัยนะั้นหลวงปู่คงมาที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็รวมกันได้จัดงานขึ้นที่วัดปุปพาสุทธาวาสจากนั้นก็ได้ถวายประชุมเพลิงองค์หลวงปู่เดือนกุมภาฮนี่แหละอันนี้ก็คือที่แนวแถวที่หลวงปู่มั่นนี่ที่ท่าน แนะนำสั่งสอนแต่ในขณะที่ท่านยังทรงทาธาตุขันอยู่ท่านก็แนะนำสั่งสอนสิทิญาตุสิทธิของท่านท่านไม่ได้เน้นหนักไปทางคารวสท่านเน้นหนักผู้นำหลวงปู่มั่นท่านแนะนำผู้นำเพราะว่าก็สมัยนั้นถ้าท่านจะอบรมแนะนำสั่งสอนประชาชนก็คงจะไปหัวเมืองต่างๆ แล้ว ก, ก็เท่านัดนแต่หลวงพ่อคิดว่าท่านหลงปู่มั่นท่านมีอนาคตังสยานทําไมพูดอย่างนั้นถ้าว่าท่านไปแสดงธรรมโปรดในหัวเมืองต่างๆก็คงจะไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านทําแต่ได้ท่านไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านไปอยู่ในป่ารงพงไพไปอยู่กับพวกเกลียงมูเซอร์ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างหลวงปู่ เทศเนี่ยก็เข้าไปหลวงปู่ฟั่นเข้าไปหลวงปู่พรมเข้าไปหลวงปู่เจ้าเนี่ยเข้าไปมีไปหลายๆองค์แต่องค์หลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นมาพบที่วัดยีเดียหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพียงจะได้เห็นหลวงปู่มั่นเพราะท่านยังเรียนหนังสืออยู่ท่านจะได้เอามหาปริญญาสามกับนักธรรมเอกที่วัดยีเดียหลวงเป็นปีสุดท้าย ท่านได้เห็นเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสหลวงปู่มั่นอย่างสุดๆเหมือนกันจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ได้ลงมาจากสกล น, นครแล้วก็มาจําบรรษามาแวะที่โคโรตเพราะรถไฟถึงโคราชสมัยนั้นนะนครราชสีมานะ่ยรถไฟถึงที่นั่นจากนั้นทางก็ได้นายวันขมนาบุญก็ได้เขาไปกราบองค์หลวงปู่มั่นแสดงถวายตัวเป็นศิษย์ จากนั้นหงปู่มั่นก็ได้ขึ้นมาอุดรตามคำอมราธนาของเจ้าคุณธรรมเจดีจากนั้นท่านก็ไปจําพรรษาวัดโนนวิเวศโนนวิเวศนะอ่าปีนั้นนะจากนั้นพอออกพรรษาแล้วนะท่านก็เดินทางลงไปสกลคนครท่านคงจะมองเห็นอ่าไปตามแผนแนวแถวของท่านนะทำไมท่านจะไปไปที่อื่นนะทำไมท่านถึงไปสกลคนครนะก็ไปจําพรรษาที่ นี่แแถวอำเภออำเภอโคกสีสวรรนะสีสุพรรณจากนั้นท่านก็เข้าไปจาพรรษาที่บ้านหนองผือนาในเป็นเวลาถึงหปีจากนั้นท่านก็ได้ออกม า, น, านิพพานจุดที่วัดปัดป่าสุทาวาส่การก่อนที่ท่านจะออกมาท่านป่วยหนักท่านบอกเออเอาไปเอาเรอไปออกไปสกล น, นครนะ ไปออกไปออกไปออกไปเจ้าจนคนนครแต่สิทธิ์ยาวนันสิทธิ์ก็มีเป็นบางกลุ่มบางหมู่เหมือนกันแต่ความหมายของท่านก็คือถ้าเมื่อท่านนิพพานอยู่ที่บ้านน้องผือนาในเป็นคนกลุ่มกลุ่มน้อยเป็นหมู่บ้านแล้วคนเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น ทานมองก็เห็นแล้วว่าท่านมีลูกซิ์มากาถ้าว่าท่านนิพพานอยู่ที่น้องผือนาในคนหลังไหลเข้าไปชาวบ้านจะทำยังไงไม่มีอาหารจะต้องค่าวัวค่าขากวายค่าสัตว์สาหลายสิ่ง เ, เพื่อเลี้ยงคู่เลี้ยงคน เ, เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นท่านาไปในเมืองปรินิพานในเมืองซะ เ, เพื่อมัน กว้างขวางมาทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือขนาดโค้งสุดท้ายท่านยังวางตัวปรินิพานในสถานที่ที่ควรจะวางทิ้งธาตุขันขององค์ท่านถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเป็น มีผูดมีชื่อเสียงโด่งดัง เ, เมืองกรุงพลาณสีเป็นเมืองใหญ่กรุงสวัตถีเป็นเมืองใหญ่กรุงราชาคือเป็นเมืองใหญ่และสมัยนั้นก็มี16แคว้นในอินเดียเป็นเมืองใหญ่แต่พระพุทธเจ้าเลือกไปปรินิพานที่กุชินาราเป็นประเทศเล็กๆทําไมจนพระอ น, นุน้อยพระน้อยใจวัด ทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ปริเนพานในเมืองใหญ่ๆหญ่ทำไมปฏิเนปานพระองค์บอกว่าเมืองนี้เมืองนี้สมัยก่อนก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะมีพระเจ้ามันธาตุราชครองเป็นพระเจ้าจักตรพรรดิอยู่ในเมืองเนี้ยเมืองกุศนารานี่นะแต่โค้งสุดท้ายออกมาก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทองค์ปริเนปานแล้วนะ ทั้งเมืองใหญ่ๆทั้งหลายแหล่16แคว้นเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยยกทัพมาให้ค้าวามาขอมาขอพระธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อไปนำไปประดิษฐานสร้างเจดีย์และเจดีย์ที่เมืองของตนเองเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อจะได้ไประชาชนจะได้กราบไหว้แต่นี่กุศินาราเนี่ยเขาก็แข็งข้อใช่ไหม บอกว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าท่านมอบความไว้วางใจกับพวกเราท่านจึงมาปรินิพานที่เมืองเราเป็นของเราสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราไม่ยอมให้ใครไม่ยอมแบ่งให้ใครเนี่ยที่ใ้เมืองใหญ่ๆท ห, ห, หารมันไม่ใช่น้อยเลยนะเหยียบเข้ามากนลมมกันเลยนะล้อมเลยนะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้ต้องศึกแน่ๆคราวนี้นะแต่เนี่ยโทณพาม เข้าไปหามันรักาษาศัก์โอ้ยอมยอมยอมแบง่งเพราะพระพระุพะพะพะทธเจ้าเป็นของเป็นของชาวโลกเป็นของทุกคนควรจะแบ่งพระธาตุเพื่อไปในนำไปประดิษฐานในสถานที่ต่างๆนะนี่แหละแต่ถ้าว่าพระพุทธองค์ไปปรินิพนธ์ที่กรุงสวัสถ์ถีและกรุงราชคืออย่างนี้เมืองใหญ่ๆหญ่แต่เมืองเล็กจะเข้าไปเอ้ยสูญยาใครจะกล้าหืออะทีนี้ เอพราะเขามีอำนาจเหนือกว่าอย่างที่อย่างลูกตัวอย่างอย่างอย่างในโลกท่งในเอเซียของเราอย่างนี้ล่ะถ้าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานที่ประเทศจีนอย่างนี้นประเทศจีนมีศักยภาพประเทศอื่นจะไปขอขอไม่ได้เพราะเห็นแล้วเพราะกลัวจีนไงแต่ถ้ามาเขามาพระพุทธเจ้าปรินิพานที่ประเทศเขมรและประเทศลาวอย่างนี้น ประเทศใหญ่ๆเข้ามาเอ้ยให้หรือไม่ให้ไอพวกลาวเขาเป็นนี่ก็ต้องต้องยอมฮะยอมแบ่งปันนี่แหละอันนี้นะคือในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ธรรมดาฮึจุธรรมดายัางไงไมถ้าธรรมดาคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไละ่ะต้องเหนือทุกอย่างต้องเหนือหมดทุกอย่างเรียกว่าพุทธสยามภูรู้แจงโลกนี่แหละ อันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะเพราะฉะนั้นอย่างองค์หลวงปู่มั่นของเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้ปรินิพานที่วัดจุตาวาส แ, แต่ท่านก็จำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในาเป็นเวลาหลายปีที่ท่านเพาะบ่มสิทธิอนุสิตขององค์ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ นี่ยนะท่านเพาะบ่มอยู่ที่นี่แหละว่าบั่นน้องผือนาในนี่ยนะที่พวกเราได้ลูกหลานทั้งเราพวกเราลูกหลานเลนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษากันล้วนแล้วจะเป็นประวัติประวัติศาสตร์ในยุคยุคนี้แต่รุ่นปู่รุ่น โทษของเราก็เริ่มทยอยไปกลับไปเกือบหมดแล้วนะสมชายลองขึ้นมาเอาลับผ่อนไ้น ะ, ะนะี้จะตายญาติโยมลูกหลานนะสมชายบอกว่าพอแล้วพอแล้วหลวงพอ่อพอแล้วนะ